จเจริญพ น, นท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9เสิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ มุ่งมาที่วัดเพื่อมาทาสิ่งที่ดีที่งามเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อการอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่จะอบรมบ่มใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุข พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษแก่ผู้ใดนอกจากกิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกศัตรูที่สร้างความทุกข์ให้แก่พวกเราทะนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาวุธที่เราจะได้เอามาใช้ในการ ทำลายข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่พวกเราให้หมดไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจของพวกเราได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ใจได้อย่างถาวรดับได้ก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวดับแล้วเดี๋ยวก็โถ่ขึ้นมาใหม่มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะดับ ความทุกข์ใจให้หมดไปได้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราเข้ามาศึกษากันเข้ามาหาความรู้กันเพราะถ้าไม่มีความรู้เราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะทำลายความทุกข์ต่างๆที่จะทำลายต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆ คือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจเราจึงต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการเข้าวัด น, นี้ก็เข้ามาเพื่อศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติแล้วผลที่เราปรารถนา ก็จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่ได้รับผลที่พวกเราปรารถนากันถ้าเรามาวัดแล้วเราก็มากราพระขอพรขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อให้มากี่ครั้งก็จะไม่ได้ตามที่เราต้องการถ้าได้ก็เป็นความบังเอิญ ไม่ได้ได้จากการที่เราขออาจจะเป็นเหตุอย่างอื่นเช่นเป็นบุญกุศลเก่าที่เราเคยทำไว้แล้วทำให้มีผลเกิดขึ้นมาในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้มันมีหลายเหตุด้วยกันแต่ที่แน่นอนก็คือไม่ได้เกิดจากการขอของเรา เห็นเรากาพระจุดทูบเทียนสามดอกเรากาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้เป็นใหญ่เป็นโตขอให้มีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีขอให้ได้ไปสวรรค์ไปพระนิพพาน<ม>นี่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ขอ พระพุทธเจ้าสอนให้ทําศาสนธรร ม, สสรรมไม่ใช่ศาสนาขอะพรศาสนานี้ไม่สอนให้ขอไม่สอนให้เป็นขอทานถึงแม้จะอยู่แบบขอทานก็ไม่ให้ขออย่างเวลาพระไปบินธบารนี้ก็ห้ามขอให้ไปโปรดสัตว์ให้ถือบาทเข้าไปในละแวกบ้านแล้วแล้วแต่ศรัทธาของผู้ ที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ไม่ให้ขอศาสนานี้ไม่ให้ขอแต่ให้อยู่แบบขอทานอยู่แบบขอทานก็คืออยู่แบบมักน้อยสันโดษให้มักน้อยอย่าโลภมากเพราะความโลภมากเป็นเหตุของความทุกข์ความมักน้อยเป็นเหตุของความสุขความสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเป็น นิสัยของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าท่านจึงไม่มีการขอท่านมีแต่การให้เพราะพระพุทธเจ้านี้มีแต่ให้อย่างเดียวไม่เคยขออะไรจากใครแต่มีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่มีแต่จะเอาของมาถวายจนรับไม่หวรับไม่ไหว แต่ไม่เคยมีคำว่าขอแม้แต่คำเดียวงนะั้นขอให้เรายึดพุดทธังสรารนังกฉามิสังคังสรารนังกัฉามิคือไม่เคยขออะไรจากใครนะเพราะว่าขอแล้วไม่ไดนะ้เพราะว่าทุกอย่างนี้เกิดจากกรรมกรรมบริคตนะไม่ใช่พรหมริคตอย่าไปขอพรอย่าไปแถวสียากเอราวัณไปบนบานจาก สารพระภูมิสารพระภมข อ, ขอนน่นขอนี่ขอไปยังไงก็ไม่มีวันได้แต่ถ้าทำแล้วรับรองว่าได้ทันทีอยากได้อะไรถ้ามีความสามารถทำได้จะได้รับผลทันทีแต่ของบางอย่างเราไม่สามารถที่จะขอได้เช่นขอให้คนอื่นเขาเป็นคนดีนี่เราขอไม่ได้ คนเขาจะดีเขาจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่เขาทําความดีหรือทําความชั่วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาทําความดีได้สั่งให้เขาเป็นคนดีได้เรามีแต่หน้าที่บอกทางสอนเขาบอกให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ถ้าเขาจะทำตามมันก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาไม่ทำตามมันก็เป็นกรรมของเขาเราเพียงแต่มีหน้าที่บอกเขาเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปปั้นให้เขาเป็นพร ะ, เ ป, พระรเป็นพระอาาริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้เขาจะดีเขาจะชั่วอยู่ที่ตัวเขาเองดังในบทสุภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าทำดีละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะเป็นพระอริยะเจ้าได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีเป็นพร ะ, ะ, ะอนาคามีเป็นพระอารหันต์ได้พระพุทธเจ้าไม่สามารถปั้น ให้พวกเราเป็นพระอริยเจ้าได้แต่พวกเราสามารถปั้นตัวเราเองให้เป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าเรารู้จักวิธีปั้นถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราก็มักจะปั้นเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารกันทุกวันนี้ที่เราเป็นอะไรอยู่ทุกวันนี้ตัวเรานี่แหละเป็นคนปั้นมันขึ้นมาเราดีเราชั่วนี่เราสูงเราต่ำนี่ เราเป็นคนปั้นเหมือนขึ้นมาสาเหตุที่เราไม่สามารถปั้นตัวเราให้เป็นคนดีได้ให้เป็นพระอาริยเจ้าได้ก็เพราะเราไม่รู้จักวิธีปั้นนั้นเองเราจึงต้องมาศึกษาจากพ่อพุทธเจ้าศึกษาจากพ่อธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าศึกษาจากพระ อ, อริยาสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความชำนาญในการปั้น ตัวตนให้เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมานั้นเอดังนั้นเราจึงต้องมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาหาด้วยการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินวิธีที่จะปั้นตัวเราให้เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาท่านสอนว่าให้ทําบุญให้ละบาปให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วเราก็จะได้กลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปขอพระพุทธเจ้าขอก็ไม่ได้ขอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไปทําเองพระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกทางบอกวิธีเท่านั้นพวกเรารู้ทางรู้วิธีแล้วถ้าเราไม่นําไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลต้องรู้ทางรู้วิธีรู้แล้วก็ต้องเอาไป ทำเอาไปปั้นขึ้นมาถึงจะได้สิ่งที่เราอยากได้กันนี่คือความจริงของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อกฎแห่งกรรมก็คือเชื่อการกระทำของเราว่าเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราดีหรือชั่วให้เราสูงหรือต่ำอย่างพวกเราที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ เราเป็นด้วยผลของการกระทำของเราเป็นผลของการกระทำของเราการกระทำของเราเรียกว่ากรรมมีอยู่สามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็คือการกระทำทางร่างกายวจีกรรมก็คือการกระทำทางวาจามโนกรรมก็คือการกระทำทางใจ เมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาเกิดความสุขความเจริญหรือเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมตามมาไม่มีใครทําให้เราเจริญได้ไม่มีใครทําให้เราเสื่อมได้ตัวเราเองเป็นผู้ทําให้เจริญหรือเสื่อมถ้าเราไปดื่มสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนไม่ดีเป็นวิตรมีความเกลียดคร้าน เราก็จะสร้างความเสื่อมให้กับตัวเราถ้าเราครบบัณฑิตคบพระสงฆ์องค์เจ้าคบคนดีคบคนมีศีลมีธรรมเราก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองเพราะเวลาคบกับคนดีคนดีก็จะพาเราไปสู่ทางที่ดีไปสู่ผลที่ดีอย่างวันนี้เรามาหาคนดีกัน การมาวัด น, นี้เรียกว่ามาคบคนดีมาคบบัณฑิตการครบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งการไม่คบคนพาลก็เป็นมงคลอย่างยิ่งอเซวนาจะบาลานันบัณฑิตา น, านจะเสวนาเอตัมมังกัลลุมตัมมังนี่คือมงคลข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่สำคัญที่สุด พระพุทธเจ้าต้องยกมงคลสองข้อนี้ขึ้นมาก่อนเพราะถ้าเราไปคบคนไม่ดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่ไม่ดีเช่นเราไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเที่ยวกลำคืนเดิมสุรายาเมามีความเกลียดครางเขาก็จะชวนเราทานแบบเขาชวนเราไปเล่นการพนัน ชวนเราไปเดิมสุรายาเมาชวนเราไปเที่ยวกลางคืนชวนให้เราเกียรติค้านไม่ให้ไปขยันทำมาหากินหาเงินหาทองชวนให้เราใช้เงินอย่างเดียวพอหมดก็ชวนเราไปทำบากชวนเราไปลักทรัพย์ชวนเราไปโกหกหลอกลวงนี่คือวิถีทางของคนไม่ดี ถ้าเราครบกับเขาแล้วเขาก็จะพาเราไปในทางของเขาดังนั้นเวลาเราครบคนอย่าคบที่หน้าตาอย่างเดียวอย่าคบที่ฐานะการเงินการทองอย่างเดียวอย่าคบที่การศึกษาอย่างเดียวเพราะคนที่หน้าตาดีคนที่ร่ำรวยคนที่มีการศึกษาสูงก็เป็นคนโกงได้เป็นคนไม่ดีได้ เวลาจะคบใครท่านบอกว่าให้ดูการกระทาของเขาดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาทำไปในทางใดถ้าเขาทำไปในทางที่ไม่ดีเราก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับเขาแต่เราก็ไม่รังเกียจเขาถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องทำภารกิจร่วมกันก็ทำได้เราเพียงต้องแยกแยะว่าภารกิจ ส่วนไหนที่เป็นประโยชน์เราก็ทํากับเขาได้เช่นเราทําการค้าขายกับเขาอย่างนี้ทําได้แต่เวลาเขาชวนเราไปเที่ยวไปดื่มนี้เราก็อย่าไปคือไม่ให้รู้จักแยกแยะคนเรานี้อยู่ในโลกนี้บางทีต้องต้องคบค้าสมาคมกันเพราะต้องทําธุรกิจทำอาหากินร่วมกัน แต่เราต้องแยกแยะว่าพฤติกรรมแบบไหนการกระทำแบบไหนเราควรจะทำพฤติกรรมแบบไหนเราไม่ควรจะทำถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะเกรงใจเขาทำมหากินกับเขามีรายได้จากการทำมหากินจากเขาก็เกรงใจเขาเขาชวนดื่มเหล้าก็ต้องดื่มไปเพราะกลัวว่าเขาจะโกรธ กลัวว่าเขาจะเสียใจแล้วเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราอย่าไปเสียดายคนแบบนี้คนดีมีเยอะแยะคบคนไม่ดีแล้วจะต้องมาเสียใจในภายหลังเสียอะไรก็เสียไปอย่าเสียตนอย่าเสียตัวคบคนไม่ดีแล้วอาจจะเสียตัวได้เขาชวนเราดื่มเรา เราก็ต้องดืดกับเขาเราก็เสียตัวแล้วเขาชวนเราไปลักทรัพย์ไปช่อโกงเราไปทํากับเขาเราก็จะเสียตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปเกรงใจคนให้เกรงใจธรรมถ้าเราเกรงใจคนแล้วธรรมก็จะแหลกธรรมก็คือความถูกต้องดีงามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องยึดคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหลักของเราอย่าเอาคนเป็นหลักของเราเพราะคนนี่มีหลายรูปแบบถ้ามีคนดีเป็นหลักก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต้ายึดติดกับพระพุทธเจ้ายึดติดกับพระอาหารหันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีความเสียหายตามมาแต่ถ้าไปยึดติดกับพวกโจรพวกขโมย พวกนี้ถ้าเราไปยึดติดกับเขาเราก็จะเสียตัวแล้วเราก็จะมาเสียใจเพราะว่าเวลาเสียอะไรเสียตัวแล้วมันแก้ยากมันจะต้องไปติดคุกติดตารางอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เรารู้จักคบคนให้คบบัณฑิตอย่าคบคนพาลคนบัณฑิตก็คือคนฉลาด อย่างพระที่มาบวชนี่พอศึกไปแล้วสามเดือนเขาก็เรียกว่าบัณฑิตแล้วเรียกว่าทิศละทิศก็มาจากคำว่าบัณฑิตนี่แสดงว่ามีความรู้มีความฉลาดแล้วความรู้ที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเช่นรู้ว่าเล่นการพนันไม่ดี เที่ยวกลางคืนไม่ดีเสพสุรายาเมาไม่ดีคบคนไม่ดีไม่ดีมีความเกลียดครางไม่ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดีลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปทมดเท็จไม่ดีผู้ที่บวชแล้วก็จะรู้เวลาศ็กไปแล้วก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีจะทำแต่สิ่งที่ดีคืออะไรก็คือทำบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้สังคมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความยินดีต่อการกระทำความดีของผู้อื่นไม่อิจฉาฤษยาไม่คิดร้ายเวลาเห็นผู้อื่นเขาทำความดีไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่เสียอกเสียใจ เวลาที่ผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีไม่อิจฉาไม่ริษยายอมรับความจริงว่าคนเราดีชั่วอยู่ที่การกระทําของเขาถ้าเขาทําแล้วเขาได้ผลดีเราก็อย่าไปอย่าไปอิจฉาอย่าไปกั่นแกล้งเขาถ้าเราไปกั่นแกล้งเราก็เป็นคนไม่ดีไป และเราก็จะถูกฟื้นกันแกล้งเราต่อไปมันเป็นเรื่องของกองกรรมกงเกวียนเป็นเรื่องของการจองเวรจองกรรมกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าจองเวรจองกรรมกันเห็นผู้อื่นเขาทำดีหรือไม่ดีให้มองว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาได้ดีเราก็ไม่ได้ดีไปกับเขาเขาได้ชั่วเราก็ไม่ได้ไปชั่วไปกับเขา ดีชั่วอยู่ที่การกระทำของเรานี่แหละคือคือแก่นของพระศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปเชื่อเรื่อ ง, องฝนฟ้าอากาศเรื่องดวงดาวเรื่องดวงชะตาเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องทิศทางว่าจะต้องหันบ้านไปในทิศทางไหน จะต้องปลูดต้นไม้ไว้ตรงไหนจะต้องมีหน้าต่างหันไปทางทิศไหนของเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เราดีหรือเราเชื่อเหตุที่จะทำให้เราดีให้เราเชื่ออยู่ที่การกระทาทั้งสามคือกายกรรมวจีกกรรมและมโนกรรมการทำธรรมทางกายเรียกว่ากายกรรม การกระทาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทาทางใจเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมเวลาเราคิดอะไรเราถึงทำได้เช่นวันนี้คิดจะมาวัดถ้าไม่คิดจะมาวัดก็ไม่ได้มาวัดเช่นวันนี้ถ้าคิดว่าจะไปเที่ยวก็จะตอนนี้ก็ไปเที่ยวกันแล้วแต่ถ้าคิดว่าจะมาวัด ก็จะสั่งให้ร่างกายมาวัดปากก็ชวนเพื่อนฝูงพี่น้องให้มาวัดกายกรรมและวจีกรรมนี้เป็นลูกน้องเป็นผู้รับใช้มโนกรรมมโนกรรมนี้เป็นต้นเหตุของกรรมทั้งหลายและเหตุที่จะทำให้มโนกรรมนี้ไปในทิศทางไหนไปในทางดีหรือไปในทางไม่ดี ก็อยู่ที่ธรรมะหรืออธรรมถ้ามีธรรมะก็จะมีความคิดที่ดีสั่งให้ไปทําสิ่งที่ดีถ้ามีอธรรมอธรรมคืออะไรก็คือโมหะอวิชชาคือกิเลสตัณหานั่นเองถ้ามีกิเลสตัณหาเป็นผู้สั่งใจก็จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาเช่นวันนี้คิดจะไปเที่ยวไปดื่มสุรายาเมา ไปยิงนกตกปลาอย่างนี้เรียกว่าเป็นความคิดของกิเลสตันหาพอคิดแล้วก็จะสั่งให้ร่างกายไปเที่ยว<ม>ไปยิงนกตกปลาไปเดิม่มโซลายามากันถ้ามีธรรมเป็นผู้คิดธรรมก็จะบอกว่าวันนี้มาวัดมาทําบุญให้ทานมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่คือธรรมะ เราจึงต้องมาศึกษาธรรมกันเพื่อเราจะได้มีเหตุที่จะทำให้เกิดมโนกรรมที่ดีขึ้นมาที่เรียกว่ากุศลาคือกุศลกุศลก็แปลว่าความฉลาดนั่นเองการที่เราจะมีกุศ ล, ลจิตได้เราต้องมีธรรมะเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนต้องฟังเทศฟังธรรม อย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันได้ยินได้ฟังอะไรหลายอย่างที่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาของได้รู้แล้วว่าตัวเราจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทาของเราแลการกระทาของเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเรามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะถ้าเรามีธรรมะเราก็จะ คิดดีพูดดีทำดีพอคิดดีพูดดีทำดีผลก็ดีตามมาถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ ด, ด, ม ด, ด, ม ด, มดีผลก็ไม่ดีตามมาเช่นคิดว่าวันนี้จะไปดื่มสุราจะไปเสพยาเสพติดพอไปดื่มสุราไปเสพยาเสพติดก็เกิดอาการมึนเมา แล้วก็ไปมีเรื่องมีราวหรือไม่เฉะนั้นก็ไปติดจนกระทั่งไม่สามารถทำอะไรได้งานการก็ทำไม่ได้ตกงานตกการไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ก็ต้องไปลักขโมยแล้วในที่สุดก็ต้องไปติดคุกติดตารางนี่คือผลที่เกิดจากการไม่มีธรรมะไม่รู้จัก สิ่งที่เรียกว่าผิดถูกดีชั่วทำไปตามอารมณ์ของกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี้จะทำจะคิดแต่ในสิ่งที่ไม่ดีจะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วผลไม่ดีก็จะเกิดตามมาต่อไปถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะรู้ว่าการกระทาอะไรที่ไม่ดีความคิดแบบไหนไม่ดี เช่นคิดจะทำบาปนี้ก็ไม่ดีแล้วคิดจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปผ perpet ประเวณีไปพูดปดไปโกหกหลอกลวงไปดื่มสุรายาเมาพอเรารู้ว่าไม่ดีเราก็ไม่คิดต่อเราหยุดคิดเสียเลิกคิดเรือคิดว่าไม่ดืม่มไม่สูบไม่เสพยาไม่ลักทรัพไม่โกหกหลอกลวงถ้าคิดอย่างนี้ การกระทำก็จะไม่เกิดความเสียหายตามมาอยู่ที่ตัวเราดีชั่วอยู่ที่ตัวเราสูงต่ำอยู่ที่ตัวเราจเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจนี้เท่านั้นไม่มีใครสามารถเศษหรือเปล่าให้เราเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ไม่มีใครสามารถสาบแช่งให้เรา เป็นเปรเป็นมารเป็นยักษ์ไปได้ผู้ที่จะเสกที่จะเป่าผู้ที่จะทำให้เราดีหรือชั่วนี้อยู่ที่การกระทาของเราเท่านั้นและการกระทาของเราจะไปในทางดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความรู้เท่านั้นถ้าเรามีธรรมะเราก็จะไปคิดไปในทางที่ดีพูดไปในทางที่ดีทำในสิ่งที่ดีถ้าเรามีกิเลสตัณหา มีโมหะอาวิชชาความโง่เขลาเบาปัญญาเราก็จะทำไปในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ที่จะแบ่งให้กับเราที่จะสอนให้เราฉลาดสอนให้เราคิดไปในทางที่ถูกสอนให้เราพูดให้เราทำในทางที่ถูกแล้วเมื่อเราทำแล้ว เราก็จะได้ผลที่ดีที่งานต่อไปนั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาพราะธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆมันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะ พาให้เราได้ไปสู่ความหลุดพ้นอย่างถาวรได้ทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าต้องเลือกระหว่างทรัพสมบัติเข้าของเงินทองกับพระธรรมคําสอนให้เลือกเอาพระธรรมให้สละทรัพย์ เช่นวันนี้เราต้องไปทำงานเราก็วันนี้ขอหยุดอย่างวันขอไม่หาเงินหนงวันเราจะมาหาธรรมะกันอย่างวันอย่างนี้เรียกว่าสละทรัพย์เพื่อธรรมะถ้าต้องสละอวัยวะสละตาหูจมูกนิ้วกายเช่นวันนี้ต้องมาอยู่วัดถือศีลแปดไม่ดูไม่ฟังก็เหมือนกับสละอวัยวะปิดตาปิดหู ก็เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ยอมเสียสละอวัยวะไม่ยอมปิดหูปิดตาเราก็จะไปดูหนังดูละครไปเที่ยวไปเล่นกันเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมกันดังนั้นเราต้องเราต้องสละแม้แต่อวัยวะและแม้แต่ชีวิตเราก็ต้องสละ ถ้าเราต้องเลือกระหว่างการให้คนอื่นเข้าฆ่าเราหรือเราฆ่าเขาท่านบอกว่าให้เขาฆ่าเราดีกว่าเขาฆ่าเราแล้วเราไม่ไปตกนรกแต่ถ้าเราฆ่าเขาเราไปตกนรกดังนั้นให้เอาธรรมะดีกว่าถูกเขาฆ่าแล้วตายไปไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ดีกว่าดีกว่าฆ่าเขาแล้วไปนรก นี่คือความสำคัญของธรรมะข อ, ข, อของคำสอนของพระพุทธเจา้าขอให้พวกเราศึกษาไปแล้วปฏิบัติไปเถิดแล้วเราจะจะเห็นคุณค่าและเราจะไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรเพราะมีอะไรก็เท่ากับมีความทุกข์ทท้งนั้นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใจ ของท่านทั้งหลายด้วยการมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อผลคือความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศล